ปาติเทศนียะสี่หนึ่งิุรับของเคี้ยวของฉันแต่มือนางพิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาติเทศนียะ 2. อิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ถ้ามีนางพิกษุณีมาสั่งทายกให้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวายเธอพึงไล่นางพิกษุณีนั้นให้ถอยไปเสียถ้าไม่ไล่ ต้องปาติดเทสนิยะสภิกษุไม่เป็นไข้เขาไม่ได้นิมนต์รับของเคี้ยวของฉันในตรกูลที่ส่งสมมุติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องปาติดเทศนิยะสภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความให้ทราบก่อน ด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาติเทสนิยะเสกิยาวัดวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขิยวัดเสขิยวัดนั้นจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปฏิสังยุต์หมวดที่สามเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุต์หมวดที่สี่ เรียบประกินนกะสาวรูปที่หนึ่งมียี่สิบหภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักนุ่งให้เรียบร้อยเราจักห่มให้เรียบร้อยเราจักปิดกายด้วยดีไปในบ้านเราจักปิดกายด้วยดีนั่งในบ้านเราจักระวังมือเท้าด้วยดีไปในบ้านเราจักระวังมือเท้าด้วยดีนั่งในบ้าน เราจักมีตาทอดลงไปในบ้านเราจักมีตาทอดลงนั่งในบ้านเราจักไม่เวกผ้าไปในบ้านเราจักไม่เวกผ้านั่งในบ้านเราจักไม่หัวเราะไปในบ้านเราจักไม่หัวเราะนั่งในบ้านเราจักไม่พูดเสียงดังไปในบ้านเราจักไม่พูดเสียงดังนั่งในบ้านเราจักไม่โครงกายไปในบ้าน เราจักไม่โครงกายนั่งในบ้านเราจักไม่ไกวแขนไปในบ้านเราจักไม่ไกวแขนนั่งในบ้านเราจักไม่สั่นศีรษะไปในบ้านเราจักไม่สั่นศีรษะนั่งในบ้านเราจักไม่เอามือข้ำกายไปในบ้านเราจักไม่เอามือค้ำกายนั่งในบ้านเราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปในบ้านเราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะนั่งในบ้าน เราจักไม่เดินกระโยงเท้าไปในบ้านเราจักไม่นั่งรัดเข่าในบ้านโชนะปฏิสังยุตที่สมีสาภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพเมื่อรับบิณฑบาตเราจักแลดูแต่ในบาตเราจักรับแกงพอสมควรแก่ข้าสุขเราจักรับบิณฑบาตแต่พอเสมอขอบปากบาต เราจักฉันบินทบดโดยเคารพเมื่อฉันบินทบทเราจักแลดูแต่ในบาทเราจักไม่ขุดข้าวสุกให้แหว่งเราจักฉันแกงพอสมควรแก่ข้าวสุกเราจักไม่ขยุ่มข้าวสุกแต่ยอดลงไปเราจักไม่กลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มากเราไม่เจ็บไข้จะไม่ขอแกงหรือข้าวสุก เพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันเราจะไม่ดูบาดของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษเราจกไม่ทำคําข้าวให้ใหญ่นักเราจะทาคาข้าวให้กลมกลมเมื่อคาข้าวยังไม่ถึงปากเราจะไม่อ้าปากไว้รอท่าเมื่อฉันอยู่เราจะไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปากเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูด เราจกไม่โยนคำข้าวเข้าปากเราจักไม่ฉันกัดคำข้าวเราจกไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุย๋ยเราจักไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง what are, เราจ <Feels> ักไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นนั้นเราจักไม่ฉันแลบลิ้นเราจักไม่ฉันดังจับจับเราจักไม่ฉันดังซูดๆเราจักไม่ฉันเลียมือ เราจักไม่ฉันคอร์ดบาดเราจักไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำเราจักไม่เอาน้ำล้างบาดมีมเมล็ดข้าวเทลงในบ้านธรรมเทศนาปฏิสังยุตที่สามี16หภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีร่มในมือมีไม้พลองในมือมีสัตราในมือมีอาวุธในมือสวมเขียงเท้าสวมรองเท้าไปในยานอยู่บนที่นอนนั่งรัดเขา่าพันศีรสะคลุมศีรสะเรานั่งอยู่แผ่นดินจะไม่แสดงธรรมแก่คนเป็นไข้นั่งบนอาสนะ เรานั่งบนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้นั่งบนอาสนะสูงเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่ผู้นั่งอยู่เราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่ผู้เดินไปข้างหน้าเราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่ผู้ไปในทาง ปกินกะที่สี่มีสามกิุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเราไม่เป็นไข่จักไม่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนเขละลงในของเขียวเราไม่เป็นไข่จักไม่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนเขละหรือน้ำลายลงในน้ำ อัธิกรมีสี่หนึ่งความเถียงกันว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะเป็นวินยัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินยัยเรียกวิวาธาธิกรสองความโจทกัด้วยอาบัตินั้นๆเรียกอนุวาธาธิกรสาอาบัตทั้งปวงเรียกอาบัตตาธิกร 4. กิจที่สงจะพึง ร, รมเรียกกิจจาธิกรอธิกรณะสมถะมีเจดธรรมะเครื่องระงับอธิกรทั้งสนั้นเรียกอธิกรณะสมถะมีเจดอย่างคือ 1. ความระงับอธิกรทั้งสีนั้นในที่พร้อมหน้าสง์ในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุ ในที่พร้อมหน้าธรรมะเรียกสัมมุขาวิไนัย 2. ความที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอระหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโจ์ด้วยอาบัตเรียกสติวิไนัย 3. ความที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ให้ใครโจ์ด้วยอาบัต ที่เธอทําในเวลาเป็นบ้าเรียกอมูลหะวิไนัย่ 4. ความปรับอาบัตตามปฏิญญาของจํเเ า, า, เ, าจเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปฏิญญาตะการณะหมายเหตุผู้อ่านของจําเลยผู้รับเป็นสัตว์สัตว์ในที่นี้สะกดด้วยสอเสือไม่หันอากาศต่อเต่ตยายอยัการันนะครับห้า ความตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณเรียกเยปุยยสิกา 6. ความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัดสปาปิยาสิกา 7. การให้ประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกติณวัฏฐารกะวินัย สิกขาบทนอกนี้ที่ยกขึ้นเป็นอาบาตททุลจใจบ้างทุกกฎบ้างทุกภาสิตบ้างเป็นสิกขาบทไม่ได้มาในพระปฏิโมกจบวินัยบัญญัติ